อะไรเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมก็คือความประมาทนเองอะไรคือความประมาทความประมาทก็คือความลืมความตายความไม่ละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ละลึกถึงความแก่ไม่ละลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ละลึกถึงความตายของร่างกาย จึงทำให้เราหลงกับการหาความสุขต่างๆจากโลกธรรมเคยจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันนี่คืออุปสรรคพอเราลืมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เลยคิดว่าเราจะอยู่กัน แบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่กันแบบหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั่นจากคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ <Yeah. S 1> เราก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษากัน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าเคยถามพระานนท์ พาาระอนนท์นี้เป็นพระอุปถาของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเลขาพระพุทธเจ้าถามว่าอานนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งอนนท์ก็บอกว่าผมระลึกอยู่ประมาณวันละสามสี่ครั้งด้วยกันเหมือนกินยาเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่า อ, อนุนเธอยังประมาทอยู่เพราะการนลึกเพียงแค่สามสี่ครั้งต่อหนึ่งวันนี้ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เธอได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพอเธอไม่ละลึกถึงความตายเมื่อไหร่เธอก็จะเลิมทันที เธอก็จะหลงไปกับการทําอะไรต่างๆที่เธอเคยทาอยู่เป็นประจาวันเคยหาความสุขจากคนนั่นคนนี้เคยหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เคยไปทําอะไรเคยไปที่นั่นเคยม า, มาที่นี่ก็จะทําไปตามปกติเพราะเธอลืมไปว่าต่อไปเธอจะต้องแก่ลงไป จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแลวจะต้องตายไปในที่สุดวิธีที่เธอจะไม่ลืมก็คือเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้ระลึกว่าถ้าเราไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วถ้าเราไม่หายใจเข้าก็ตาย ความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกเรานี้เองอยู่ที่ลมหายใจของเราสักวันหนึ่งลมหายใจมันก็ต้องหยุดหายใจเวลาเราไปงานศพเราไปดูคนตายเราก็จะเห็นว่าเขาไม่หายใจแล้วเมื่อก็ไม่หายใจแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำอะไรก็ไม่สามารถทาอะไรได้ต่อไป ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเห็นโทษของการที่เรามาหลงติดอยู่กับหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะหาได้ ความสุขต่างๆที่เราเคยได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็จะหายไปเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปทำอะไรเหมือนตอนที่เราไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้แล้วยิ่งเวลาที่เราตายเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย นาการมาเกิดของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสั่งคำสอนอันประเสริฐเลิศโลกที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาแก่ชาวโลกสักครั้งหนึ่งนี้ก็จะหลุดไปจากมือเราไม่มีอะไรที่จะช่วยเรากำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเราได้ไม่มีอะไรจะสอนให้พวกเรารู้จากการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในใจพบนี้ได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปจนเวลา แก่เท่าเพราะชีวิตนี้สามารถยุติลงได้ทุกเวลาทุกอายอุคนบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายบางคนก็อยู่ได้เจ็ดวันบางคนก็อยู่ได้หนึ่งเดือนบางคนก็อยู่ได้หนึ่งปีบางคนก็สองปีสามปีมีทุกอายุความตายของคนนี่ ถ้าไปจดสถิติดูนี่จะพบว่าจะมีคนตายทุกอายุไม่ว่าจะเป็นหนึ่งวันสองวันสามวันหรือหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหรือหนึ่งปีสองปีสามปีไปถึงเก้าสิบร้อยปีมีตายทุกอายุและไม่มีใครรู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทเราต้องคิดว่าเราอาจจะตายได้ทุกอายุอาจจะตายตอนอายุนี้ก็ได้ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเราแล้วก็ได้ไม่มีใครกําหนดรู้ได้เพื่อความไม่ประมาทเราต้องคิดสมมุติไว้ก่อนสมมุติว่ามันอาจจะเป็นปีสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบทากิจที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะได้ทําให้จิตใจของเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่หลุดพน้นการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้รับประกันว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยอัตโนมัติเมื่อได้พบกับพระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กรรมอะไร ให้ปฏิบัติอะไรเมื่อไม่รู้ก็จะปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติแต่ถ้าได้ศึกษาก็จะได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องกระทำการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำคือให้สร้างบุญสร้างกุศล ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้พอเราทราบแล้วถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่แบบไม่มีวันสิ้นสุด เ, เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พอเราปฏิบัติแล้วใจของเราก็จะกก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปได้ในที่สุดต้องเกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติถึงจะเกิดการบรรลุผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ดังนั้นพวกเราจึงควรหมั่นระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนี่ก็จะมีบทให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ให้เราเระลึกว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้มีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้ ถ้าเราสวดบทนี้ท่องบทนี้อยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเห็นภาพที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราเนี่ยว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาสิ่งต่างๆที่เราได้กันจากโลกนี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปคือเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆ เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งร่างกายที่เรารักเราหวง<ม>ก็เอาไปไม่ได้เป็นสมบัติของสั ป, ปะเลอของวัดไป<ม>เวลาคนตายนี่ยกให้วัดกันงนั้นไม่มีใครเอาจะรักกันขนาดไหนก็ตามออพอไม่มีลมหายใจแล้วไม่ให้อยู่บ้านแล้วเชิญออกบ้านออกจากบ้านไป ใไปอยู่วัดยกให้วัดวัดก็ต้องรับเพราะไม่รู้จะทำยังไงเอาศายข้าวเขากินทุกวันพอถึงเวลาเขาจะยกสมบัติที่เขารักเขาหวงให้วัดก็ต้องรับไปวัดก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนก็เลยต้องเอาไปเผาทาชาปนากิจกลายเป็นที้เท่าที้ฐานไป ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้เห็นความไร้สาระจากสิ่งต่างๆที่เรามีกันความสุขที่เราได้ก็เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วไม่สามารถเก็บรักษามันไว้ได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจางหายไปหมดเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย ความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่เราหากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเนี่ยวุ่นวายกันตั้งแต่เช้ามืดเห็นะเช้ามืดตื่นขึ้นมาก็รีบอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว ก, กินข้าวกินข้าวบางทีถ้าเป็นเด็กบางทีก็ไม่กินข้าวไม่ทันต้องไปกินในรถเนี่ยเต้องนั่งรถไปโรงเรียนเแต่บางทีบางคนยังต้องหลับในรถก่อน ไปปลูกกลางทางไปปลูกให้กินกลางทางเนี่ยชีวิตดิ้นลนกับลาบยศสรรเสริญสุขกันเพราะว่าไม่เคยได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเลยอย่างวันนี้ญาติโยมได้คิดถึงกันบา้างหรือยังก่อนที่จะมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้เคยได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจาก สิ่งต่างๆไปบ้างเรื่อย่างแทบจะไม่ได้คิดเลยเดิ่มไปเลยคิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันทุกวันเติร์นเช้าออกไปทํางานหาเงินหาทองตอนเย็นว่างก็ไปหาความสุขอยากเงินทองที่หามาได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะกินอะไรก็กินอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ทำํำ ทำไปจนถึงเวลาหลับนอนก็กลับบ้านพักผ่อนหลับนอนเช้าตื่นขึ้นมาก็หาใหม่ทำแบบใหม่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวันดีคืนดีจะเจอโครคภัยไค่เจ็บมาเตือนสักครั้งหนึ่งถึงจะสะดุง้งเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่สามารถไปทำงานไม่สามารถไปหาเงินหาทองไม่สามารถหาความสุขอะไรได้ แต่ถ้าเป็นโรคภัยแค่เจ็บแบบไม่รุนแรงก็นอนสักพักสามสี่วันหายหายก็ลืมก็เริ่มออกไปกลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิมต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปนานาๆนนนก็อาจจะมีคนรู้จักล้มตายล้มตายไปสักคนสองคนก็ต้องไปงานศพของเขา ไปงานศพก็เกิดอาการซึมเศร้าอยู่สักวันสองวันแต่ก็ไม่ไดเอามาทำอะไรให้เป็นประโยชน์เพราะกลับเห็นว่ามันเป็นโทษเวลาเห็นคนตายแล้วมันทำให้เราเศร้าทำให้เราไม่สบายใจเราก็เลยไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะคิดถึงมันเพราะเห็นแล้วเลือกคิดถึงมันแล้วทำให้เราหดหู่ใจ ทำให้เราไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรนี่คือลักษณะทำไมคนเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความตายกันไม่อยากจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะเวลาคิดแล้วมันรู้สึกขดหูใจท่อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังที่จะทำอะไร แต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าโชคดีตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยสมัยก่อนโรงเรียนก็มีสอนธรรมะให้กับเด็กเรียนให้เรียนรู้กันเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่ า, ามีการกระทาที่จะทำให้เร า, เาไม่ต้องกลับมา ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายได้ถ้าเรามีรู้ว่าการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราไม่รู้สึกทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่กลัวเวลาที่เราเห็นคนตายเวลาที่เราเห็นคนแก่คนเจ็บ มันจะกลับกลายเป็นยามากระตุ้นเรามากระตุ้นให้เราปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นถ้าเรายังทุกข์กับความแก่อยู่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายอยู่ก็แสดงว่าใจของเรานี่ยังไม่มีธรรมะมาคุมของใจแสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่มากพอเราต้องขวนขวายต้องรีบเร่งปฏิบัติ ธรรมะให้มากขึ้นเพราะว่าธรรมะนี้จะคุ้มครองรักษาใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปด้วยการเห็นความตายแทนที่จะทำให้ใจหดหู่กลับกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เรารีบขวนขวายศึกษารีบปฏิบัติธรรมกัน เพราะว่าเวลาของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราจะสั้นลงคำว่าสั้นก็คือชีวิตเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตจะสั้นลงแต่ถ้าอายุมันจะหลอกเราคิดว่าอายุเรายาวขึ้นไปอย่าง ยี่สิบก็เป็นสามสิบจากสามสิบก็เป็นสี่สิบถ้าเรามองอายุเราว่าโอ้ยเรายังมียังไปอีกไกลแต่ถ้าเรามองอเวลาที่เหลืออยู่นี้มันมันน้อยลงไปทุกวันนะเว้ยกะก็มีเท่าไหร่มันไม่มีวันเพิ่มขึ้นนะมันมีแต่จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะเหลืออยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะอายุยาวเท่าไหร่ก็ตาม ในแต่ละวันนี้มันจะต้องอลดเวลาที่จะให้เราอยู่ในโลกในโลกนี้น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราคิดแบบนี้เราจะได้ขวนขวายกันไม่ประมาทนอนใจกันไม่ผัดวันประกรันพรุ่งว่าโอ้ยเรายังไม่แก่ไว้รอให้เราแก่ก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติตอนนี้เราไม่ว่างเรามีภารกิจยุ่งกับคนนั่นยุ่งกับคนนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้ ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เร า, เาไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติกัน เ, เราก็จะไม่มีธรรมะคุ้มคองใจเวลาที่เราไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายเข้ามันจะทำให้เราหดหูใจเรื่อเศร้าโศกเสียใจดังนั้นถ้าพวกเราถ้าไม่อยากจะประมาท ให้เรา ล, ลึกถึงความตายความไม่แน่นอนของร่างกายอยู่เรื่อยๆคำสง่งคาสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัจฉิมโมวาดเนี่ยคำสุดท้ายที่พระเจ้าฝากเตือนใจพวกเราก็คือสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเนี่ยโดยความไม่ประมาทก็กิดต้องนึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอเราเห็นความตายของพระเจ้าเราก็จะเห็นความตายของเราเพราะเรากับพระพุทธเจ้าร่างกายก็เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราก็จะต้องเจอวันนั้นสักวันหนึ่ง และวันนั้นจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ด้วยอาจจะมาเร็วอาจจะมาช้าก็ได้ฉะนั้นเวลานี้เรามีเวลาอยู่จงรีบยังประโยชน์ของตนก่อนแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเพราะประโยชน์ของเราที่แท้จริงก็คือประโยชน์ทางด้านจิตใจนี่เองประโยชน์ทาง ทางร่างกายทางทรัพย์สินนี้ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นประโยชน์ชั่วคราวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เช่นหาเงินหาทองให้มากมากให้ร่าให้รวยหรือเอาเงินทองที่เรามีไปช่วยเหลือคนนั่นช่วยเหลือคนนี้การกระทำประโยชน์แบบนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่ไปลด ละไม่ไปลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจให้น้อยลงไปไม่ไปลดให้การเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจนี้น้อยลงไปการที่เราจะทำประโยชน์ที่พระเจ้าส่งสอนให้กระทาคือหมายถึงประโยชน์ทางด้านจิตใจให้เรารีบมากําจัดกิเลตันหาตัวที่เป็นเหตุที่ทำให้เรา ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันต้องมาให้เราทุกข์กันความทุกข์ใจของพวกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์เวลาเราเห็นความแก่เวลาเราเห็นความเจ็บเวลาเราเห็นความตาย เราจะรู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีเศร้าก็ทุกข์เนี่ยไม่สุขเพราะว่าเราไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่อยากตายกันนั่นเองแต่ถ้าเรามาศึกษาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้ความอยากพวกนี้เรากําจัดได้ ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับของผู้ครองเรือนของผู้ที่ยังใช้เงินตามความอยากต่างๆอยู่เราก็ต้องหยุดการใช้เงินตามความอยากด้วยการเอาเงินที่จะใช้ไป กับความอยากต่างๆเอาไปทำบุญทำทานแทนเช่นมีเงินก้อนหนึ่งอยากจะไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวมันก็จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะมันเป็นการส่งเสริมความอยากภายในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นการไปเที่ยวก็คือการส่งเสริมกามะตันหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอ เวลาเราไปเที่ยวล้วก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ต่างๆที่เราไปแล้วก็ไปเสพอาหารไปเสพเครื่องดื่มของสถานที่เหล่านั้นไปฟังเสียงอะไรต่างๆอันนี้เป็นการส่งเสริมเพราะว่าการทำตามความอยากมันจะไม่ได้ทำให้ความอยากมันลดน้อยลงไปมันกลับจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้น ไปเที่ยวครั้งนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่กี่วันเดี๋ยวอยากจะไปอีกละเดี๋ยวพอมีเห็นโฆษณาเห็นอะไรว่าสถานที่นั้นที่นี่น่าเที่ยวน่าไปใจก็สั่นละอยู่บ้านไม่เป็นสุขละพอได้เงินมีเงินอีกก้อนหนึ่งก็ไปทันทีมันก็จะทำให้ต้องคอยหาเงินหาทอง มาตอบสนองกับความอยากต่างๆอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราติดอยู่ในวงจร น, นี้วงจรหาเงินเพื่อเอาเงินไปใช้ตามความอยากพอใช้ตามความอยากแล้วความอยากมันก็เพิ่มมากขึ้นมันก็บังคับให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวบ่อยขึ้นมันก็จะทำให้เราต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆ เราก็เลยจะอ้างว่าไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยเพราะติดอยู่ในวงจรนี่ติดอยู่ในวงจรของการใช้เงินตามความอยากแล้วก็ต้องหาเงินมาเพื่อสนับสนุนความอยากอยู่เรื่อยๆต่อให้หามาจนวันตายใช้ไปนจนวันตายเชื่อไ้ยความอยากก็ยังไม่หมดเนี่ย แก่อายุแกขนาดไหนถ้ายังไปเที่ยวได้ก็ยังไปอยู่จะไม่ไปก็ต่อเมื่อสังขารมาบอกไม่ไหวแล้วพี่นั่งรถเข็นไปจะไปไหมไม่ไปดีกว่าไปเป็นภาระของคนอื่นนี่ถ้ายังใช้เงินแบบนี้อยู่ต้องทำฐานเป็นวิธีแก้ปัญหาตัวนี้ทุกครั้งอยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากเอาไปทำบุญ ทำที่ไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ขอให้มันหยุดความอยากที่จะใช้เงินต่างๆได้ก็แล้วกันทุกครั้งถ้าเราอยากใช้เงินแล้วเราไม่ทำตามที่มันอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเหมือนทุกครั้งที่เราอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งเวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่ก็ต้องไม่สูบเท่านั้นพอไม่สูบไปไม่กี่ครั้ง ความอยากมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้นี้เขาสบายไม่เดือดร้อนกับกับบุหรี่เห็นบุหรี่ก็จะรู้สึกเฉยๆแต่คนที่ยังเลิกไม่ได้นี่เห็นเห็นเลื่อนนึกถึงบุหรี่ทีไรใจสั่นขึ้นมาทุกทีต้องสูบมันเพรไม่ได้สูบแล้วมันไม่มันจะไม่สบายใจ แต่ถ้าได้สูบมันก็หายไปเดี๋ยวเดียวความไม่สบายใจหายไปเดียเด๋ยววเดี๋ยวสักพักก็กลับมาใหม่กลับมาเรื่อยๆถ้าตราบใดถ้าเรายังตอบสนองความอยากอยู่วิธีที่จะทำให้มันไม่กลับมาก็คืออย่าไปทำตามที่มันขอเหมือนกับเวลาคนมาขอเงินเนี่ยถ้าไม่อยากใเขาก็กลับมาขออยู่เรื่อยๆก็อย่าไปให้เขา ถ้าเขามาขอวันนี้ให้เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาอีกถ้าพรุ่งนี้มาขอแล้วให้อีกเขาก็จะมาอีกไม่เชื่อลองทำดูสิถ้าไม่อยากให้เขามาก็อย่าให้เขาทนให้เขาด่าสักพักหนึ่งด่าว่าเราไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ช่วยเหลือกันไม่อะไรกันให้เขาด่าไปแต่อย่าไปให้เงินเขาเดี๋ยวครั้งสองครั้งเขาก็ไม่กลับมาละ พอรู้ว่ากลับมาก็ไม่ได้เงินนะนี่คือวิธีกําจัดความอยากต่างๆเราต้องอย่าไปทําตามความอยากถ้ารับถ้าเป็นความอยากที่เกี่ยวกับการใช้เงินทองเราก็ต้องอย่าให้มีเงินทองให้มันไปใช้พอเราพอเอาเงินทองไปเที่ยวไปทําบุญเสียมันก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้ว จะไปต้องโรงแรมจองตัว๋วเครื่องบินจะไปจองอะไรมันก็จองไม่ได้เพราะไม่มีเงินจ่ายทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเลิกใช้เงินตามความอยากเราจะใช้เงินตามความจำเป็นซึ่งเรายังต้องใช้อยู่อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเงินทองมีไว้ได้แต่ต้องมีไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นซื้ออาหารเวลาอาหารหมด ซื้อเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรไปจ่ายค่ายารักษาโรคทั้งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะถ้าไม่ใช้เดี๋ยวร่างกายก็เกิดปัญหาได้เราต้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเราจึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ใช้จ่ายตามความอยากที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยเป็นความเป็นโทษเพราะเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดดีๆเนี่ยซื้อแล้วมันก็ติดซื้อแล้วก็อยากจะซื้อเรื่อยๆบางคนชอบช้อปปิ้งนี่ก็ชอบอยู่เลยออกไปคราวนี้ก็ซื้อกระเป๋าออกไปคราวหน้าก็ซื้อรองเท้าออกคราวต่อไปเห็นนาฬิกาสวยก็ซื้อนาฬิกาเห็นแหวนสวยก็ซื้อแหวนเห็นสร้อยสวยก็ซื้อสร้อย เห็นเครื่องประดับบ้านสวยก็ซื้อเครื่องประดับโอ้ยซื้ออะไรมาเต็มบ้านเต็มช่องซื้อเราก็ไม่พอความอยากซื้อมันก็ยังไม่หมดถ้ายังต้องทำเรื่องราวเหล่านี้อยู่ก็ต้องหยุดมันไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าหาธรรมะไม่มีเวลาที่จะศึกษาไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติได้นี่คือข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากที่จะ เข้าสู่การศึกษาการปฏิบัติได้ขั้นต้นต้องไม่ประมาทก่อนต้องคอยราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพอเราลกมันจะกระตุ้นให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนมันจะต้องมีวันสิ้นสุดไม่ช้าก็เร็วตอนนี้เรามีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อช่วยจิตใจของเรา ไม่ให้ทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติเราก็จะไม่มีธรรมะมาคุ้มคองใจพอเรารู้แล้วว่าเราต้องศึกษาปฏิบัติพอเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าเราต้องทาอะไรเราก็มาตรวจดูว่าเราทาตามที่พุทธเจ้าสอนหรือเปล่า เราทำทานหรือว่าเรายังเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆอยู่ถ้าเรายังเอาเงินไปใช้ตามความอยากเราก็ต้องหยุดของต่างๆซื้อมามันไม่ได้ทำให้ความทุกข์ของเราน้อยลงไปหรอกมันไม่ได้ทำให้การเวียนว่าตายเกิดของเราน้อยลงไปแต่มันกลับจะทำให้เพิ่มมากขึ้นเพราะความอยากมีเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนมีเชื้อของภพชาติมากขึ้นเหมือนกับเติมน้ามันรถเนี่ย ถ้าเติมน้ำมันมากมันก็วิ่งไปได้ไกลถ้าเติมน้ำมันน้อยมันก็วิ่งไปไม่ได้ไกลถ้าไม่เติมน้ำมันเลยเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็หยุดยพชาติก็เหมือนน้ำมันรถยนต์เนี่ยถ้าไปคอยเติมให้มันอยู่เรื่อยๆเติมน้ำมันของพบชาติคือความอยากอยู่เรื่อยๆพบชาติมันก็จะต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบพะเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะใช้เงินใช้ทอง เหมือตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากมันอยู่ที่ใจแล้วใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจยังมีความอยากอยู่ใจความอยากนี่แหละจะเป็นตัวผลักดันให้ไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่แต่ก่อนจะไปมีร่างกายอันใหม่ได้ก็ต้องว่าไปรับผลบุญผลบาปก่อนก็อยู่ ก็้นอยู่ว่าผลบุญผลบาปอันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าผลบาปมีกําลังมากกว่าก็ต้องไปรับผลบาปก่อนถ้าผลบุญมีกําลังมากกว่าก็ไปรับผลบุญก่อนพอผลบุญกับผลบาปมีกําลังเท่ากันไม่สามารถส่งให้เราไปรับบุญหรือไปรับบาปได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทําตามความอยากใหม่ พอมาเกิดก็จะทำเหมือนชาติก่อนชาติก่อนเคยเที่ยวก็จะเที่ยวต่อชาติก่อนเคยช้อปปิ้งก็จะช้อปปิ้งต่อเคยทาอะไรต่อก็จะกลับมาทำต่อเพราะว่าคนเดิมเนี่ยจิตใจเป็นจิตใจตัวเดิมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในจิตใจจิตใจเราเปลี่ยนได้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมถ้าเราเคยชอบสีแดงมันก็จะชอบสีแดงไปเรื่อย ถ้ามันชอบสีเขียวมันก็จะชอบสีเขียวไปเรื่อยๆแต่เราเปลี่ยนได้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็อยากถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากการชอบสีแดงเราก็อย่าไปชอบมันไปชอบสีอื่นแทนทุกครั้งเห็นสีแดงก็อย่าไปเอามันเอาแต่เปลี่ยนสีอื่นไปต่อไปมันก็เปลี่ยนได้หืมการที่เราถนัดมือซ้ายมือขวาอันนี้ก็เหมือนกัน มันก็เป็นของที่เราเปลี่ยนได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะกลับมาใช้มือมือเดิมเคยใช้มือขวาชาติก่อนชาตินี้มันก็จะมาใช้มือขวาเหมือนเดิมชาติหน้ามันกลับมาเกิดใหม่มันก็จะใช้มือขวาเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นว่าใช้มือขวาแล้วมันสู้มือซ้ายไม่ได้เราก็เปลี่ยนได้หยุดใช้มือขวาแล้วมาหัดใช้มือซ้ายอ เปลี่ยนได้ของที่มันที่เราทำด้วยความาทำเป็นนิสัยในใจเราเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราชอบเรามีนิสัยชอบทำอะไรตามความอยากเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเรารู้ว่าการทำตามความอยากมันเป็นโทษกับจิตใจมันเป็นตัวที่คอยที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆล้วก็ลองมาหยุดความอยากต่างๆดู การไม่ได้ทําตามความอยากนี้ไม่ตายหร อ, อกกลับมีความสุขมากกว่าเสียอีกแต่เราไม่รู้กันเพราะว่ากว่าที่ความอยากมันจะหยุดเนี่ยมันทรมานใจเราก็เลยคิดว่าการไม่ทําตามความอยากนี้เป็นการทําให้เราทรมานใจแต่เราไม่รู้กว่าถ้าเราสามารถฝืนความอยากไปได้สักระยะหนึ่งต่อไปความอยากมันจะหมดกําลังลง พอมันหมดแล้วนี่ความสบายใจจะมีมามากกว่าความทรมานใจความทรมานใจทรมานเดียวเดียวเช่นคนอยากจะเลิกบุหรี่เวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่มันจะทรมานใจมากแต่ถ้าพยายามสู้กับความทรมานใจนี้อย่าไปสูบอย่าไปทําตามความอยากเดี๋ยวไม่นานความอยากนั้นมันจะหมดกำลังพอหมดกำลังแนละ้วที่ใจก็เบาขึ้นมา ความทรมานใจก็จะหายไปแลวจะหายแบบถาวรเพราะความอยากที่จะสูบบุหรี่นั้นจะไม่มีอีกแล้วเห็นบุหรีท่ทีไรก็เฉยไม่เดือดร้อนเพราะความอยากมันหมดกําลังต้องหมดด้วยการที่เราต้องฝืนมันไม่ทาตามมันปัญหาก็คือส่วนใหญ่ไม่มีกาลังฝืนมัน พอมันเกิดความทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็ทนไม่ไหวก็เลยยอมแพ้ยอมทำตามความอยากมันก็เลยเลิกไม่ได้สักทีบางคนนี่พยายามเลิกบุหรี่มาหลายปีแล้วเลิกกี่ครั้งก็เลิกไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีเครื่องมือเนี่ถ้าได้มาศึกษาธรรมะนี่เรามีพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือที่จะทำให้เราต้านความอยากได้ เครื่องมือที่จะต้านความทรมานที่เกิดจากความอยากก็คือการมาฝึกจิตให้สงบนั่นเองมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้ความทรมานใจต่างๆที่มีอยู่ในใจจะหายไปหมดทุกครั้งที่มีความทรมานใจเราก็ไปทำใจให้สงบนั่งสมาธิพอเรากําหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ ได้อารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราทรมานคือความอยากต่างๆถ้าเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็สงบพอสงบแล้วความอยากที่ทําให้เราทรมานใจก็หายไปความทรมานใจก็หายไปนต่ อ, อไปเราก็ เลิกได้เลิกทำตามความอยากได้นี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้กำจัดความทุกข์ทรมานใจต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ความทรมานใจนี้เกิดจากความอยากอยากแล้วไม่ได้แล้วรู้สึกยังไงเสียใจไหม เดี๋ยวดูวันที่เลือกตั้งเสร็จแนละ้วดูพวกที่อยากเป็นสสกันนะพวกที่ไม่ได้เป็นนล้วจะรู้สึกยังไงเสียใจกันแล้วขณะนี้เป็นไงไเวลายังไม่ได้เลือกก็วุ่นวายกันเห็นไหมวุ่นวายกันหาเสียงวุ่นวายกันต่อสู้กับคู่แข่งขันกันยินไม่ได้นอนไม่หลับเนะี่ยก็ กว่าจะรู้เรื่องกว่าจิตจะสงบตัวลงได้ก็ต้องหลังมันเลือกตั้งไปแล้วรู้ดูแลรู้ลอดไปว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันทรมานกันแต่เขาไม่เห็นว่ามันทรมานเขากลับไปมองที่ผลที่จะได้ว่ามันคุ้มเหนื่อยถึงแม้ตอนนี้จะทรมานก็ยอมทนเอาหน่อยเดี๋ยวพอได้สิ่งที่อยากได้แล้วมันหายเหนื่อยหายทรมานใจ แต่มันไม่รู้ว่ามันจะไปเจอความทรมานในรูปแบบใหม่ต่อไปพอได้แล้วก็ต้องมากังวลว่าจะได้อยู่นานสักเท่าไหร่แล้วแล้วก็ยังมีความอยากใหม่เพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่เป็นสอสอแล้วจะพอพอเป็นสสอแล้วก็อยากจะได้ตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้แล้วเลยก็ต้องวิ่งเต้นกันอีกมันจะมันจะอยากขยายตัวไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจบนะ ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่เหมือนน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยถึงแมา้จะา ก, กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็มีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี่เหมือนท้องฟ้ามันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันอยากเพิ่มไปเรื่อยๆได้สองได้ได้คือก็อยากจะได้สองได้สอบก็อยากจะได้วาแม้ได้หมื่นก็อยากจะได้แสน ตอนเด็กๆนี่พอได้เงินพันนี่ดีใจพอโตขึ้นมาหน่อยได้เงินหมื่นก็อยากจะได้เงินหมื่นถึงจะดีใจถ้าได้เงินพันแล้วรู้สึกเฉยๆแล้วถ้าเคยได้เงินพันแล้วพอได้เงินพันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่ได้เงินหมื่นพอได้เงินหมื่นแล้วต่อไปได้เงินหมื่นก็รู้สึกเฉยๆแล้วต้องได้เงินแสนะตอนนี้ได้เท่าไหร่ถ้าได้เพิ่มอีกสิบเท่าเนี่โอถึงจะดีใจ แต่ถ้าได้เท่าเดิมก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรนี่แหละคือความอยากมันจะคอยกระตุ้นให้เราต้องหาอะไรมาเพิ่มให้มากขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแบบชั่วคราวมันก็ดีกว่าไม่ได้สัมผัสความสุขต่างๆที่เราได้จากการทำตามความอยากนี้มันเป็นชั่วคราวเท่านั้นแหละ ดีใจตอนใหม่ๆตอนที่ได้มาใหม่ๆพอได้มาแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆกับมันได้เงินได้ทองมาแล้วดี๋ยวนี้พออยู่ในบัญชีแล้วก็รู้สึกเฉยๆกับมันไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนที่ได้เพิ่มขึ้นมาใหม่ น, นี่มันจะหลอกให้เราต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วพอหาไม่ได้ก็เสียใจหรือว่าถ้าสูญเสีย สิ่งที่หามาได้ก็เสียใจอีกทนะี่มันมีแต่เรื่องเสียใจทั้งนั้นที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ทำเรื่องเสียใจไม่ใช่ทำเรื่องสุขใจกันเรื่องสุขใจนี้ไม่ชอบทำกันเพราะไม่รู้จักเ พ, เพราะไม่คิดว่าเป็นเรื่องสุขใจคือการไม่ทำตามความอยากถ้าเวลาเกิดอยากได้อะไรก็ไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบบ้บนี่ ความทรมานที่เกิดจากความอยากนี่หายไปแล้วความสุขใจอิ่มใจก็จะปรากฏขึ้นมาในใจนี่ปัญหาคือเราไม่เคยได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการฝึกสมาธินี่เองเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันเราไม่ทุ่มเทให้กับการฝึกสมาธิกันทำพอหอมปากหอมคอ ทำสักห้านาทีสิบนาทีพอรู้สึกอึดอัดพอไม่อยากจะทำก็เลิกทำมันก็เลยไม่ได้ผลาการจะทำนี้มันต้องทำแบบต่อเนื่องทำแบบไม่ถอยอต้องทำไปจนกว่าจะได้ผลถ้าทำแล้วไม่ได้ผลแล้วหยุดมันก็จะไม่มีวันได้ผลมันถึงยากลำบากสำหรับผู้ที่ ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมาศึกษาธรรมแต่ถ้าให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเรื่อยๆมันก็จะช่วยคอยกระตุ้นเราอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราเบื่อไม่อยากจะทำไม่อยากปฏิบัติก็เดี๋ยวก็ต้องแก่แล้วนะเดี๋ยวต้องเจ็บแล้วนะเดี๋ยวต้องตายแล้วนะพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็เหมือนได้ไฟใหม่ได้ไฟมาสตาร์ทเครื่องใหม่พอเครื่องมันจะจอดจะหยุด เบื่อปฏิบัติซ้สำซากจำเจงปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลใชทีก็เลยไม่ปฏิบัติดีกว่าพ อ, อให้มาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันไม่หยุดนะเราหยุดปฏิบัติแล้วแต่ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่หยุดไปกับการปฏิบัติตนะมันก็ยังจะเดินเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆนะแต่เราไม่เรียบเตยมอาวุธไว้รับมือมันเวลามันบุกถึงตัวแล้วเราจะลาบากถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะทาให้เรา หายเบื่อเราก็จะได้พยายามฝึกต่อไปฝึกต่อไปถ้าฝึกไม่ถูกก็พยายามไปศึกษาไปถามผู้รู้ว่าเขาทำยั ง, ยงไงถึงได้กันถามแล้วก็ต้องทำตามที่เขาสอนไม่ใช่ถามแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมไม่เชื่อคำที่เขาสอนถ้าไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่เชื่อว่า คำสอนที่ก็สอนนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้ผลถ้าเราไม่ไม่ทำตามคำสอนเราก็อย่าไปถามเขาดีกว่าเหมือนถามถามทางคนนั้นว่าจะไปทางนู้นทาทาไปอย่างไรพอถามแล้วแต่ไม่มั่นใจไม่เชื่อว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่ไปอย่างนี้ก็อย่าไปถามดีกว่า ถ้าจะไปถามอะไรใครเราต้องมีความเชื่อมั่นในบุคคล น, นั้นว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่มีความเชื่อมัน่นก็อย่าไปถามถ้าเรามีความเชื่อมัน่นว่าเขาพูดจริงเขารู้จริงเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสาวกทั้งหลายนี่ท่านพูดจริงท่านรู้จริงท่านเห็นจริงสิ่งที่ท่านพูดนี้เป็นความจริงทั้งนั้นเมื่อท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรก็ขอให้เราปฏิบัติตามไป ถ้าเราปฏิบัติแล้วเดี๋ยวรับรองได้ว่าผลก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าผู้ที่เชื่อผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้ได้รับผลกันเยอะแยะไปหมดนะผู้ที่ได้รับผลจากการเชื่อจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี่ที่ได้เป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาก็เพราะเชื่อพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติสอนให้ดับเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆก็ปฏิบัตินะพานนท์หลังจากที่พระเจ้าสอนแล้วก็ไปปฏิบัติดับเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็เลยทําให้ท่านไม่ประมาทนอนใจ มีเวลาว่างเมื่อไหร่ท่านก็นจะรีบเอามาปฏิบัติทันที mm hmm. กิจอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ mm hmm. ก็เลิกทํามันทำไปแล้วมันไม่ได้ทําให้กิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆสร้างพบชาติให้กับเราลดน้อยถอยลงไป mm hmm. ก็อย่าไปทำํำ mm hmm. กิจกรรมอันใดที่ทําให้กิเลสตัณหามีมากขึ้น mm hmm. ก็อย่าไปทําำก็ hmm. กิจกรรมตามความอยากต่างๆ กิจกรรมที่เราที่ไม่ควรทำก็คือการห า, ราะลาภยศจลาเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองที่เรียกว่าโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมนี้เป็นกิจกรรมของกิเลสตัณหา เป็นเรื่องของกามาตนะหาภาวะตันหาวิภวะตันหาถ้าไปทาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เท่ากับการไปเติมน้ำมันให้กับการเวียนว่ายตายเกิดเติมน้ำมันให้กับใจที่เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถยนต์มันไม่วิ่งไปไหนมาไหนเราต้องอย่าไปเติมน้ำมันพอเราไม่เติมน้ำมันเราวิ่งไปสักพักเดี๋ยวน้ำมันในรถกห็หมดหมก็จอดไม่ต้องไปไหน ถ้าเราต้องการให้จิตเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็อย่าไปเติมน้ำมันอย่าไปเติมกิเลสตัณหาการเติมกิเลสตัณหาก็คือการไปหาลาบยศสรรเสรินไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองเป็นวิธีที่จะทําให้กิเลสตัณหามีเพิ่มมากขึ้นวิธีที่จะทําทให้กิเลสตัณหาน้อยลงหรือวิธีที่จะทาให้น้ามันในถังนี้น้อยลงทำยังไง ก็ต้องไปเปิดรูที่มันปล่อยน้ำมันออกเปิดก๊อกที่ถ่ายน้ำมันออกเถ้ามีก๊อกก็เปิดก๊อกเดี๋ยวน้ำมันที่อยู่ในถังมันก็จะไหลออกหมดฉันใดเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นเราถึงจะทำให้กิเลสตัณหาที่เป็นเหตุที่พาให้เราต้องทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันอยู่เรื่อยๆนี้ให้มันน้อยลงไปหมดไปเราก็ต้องไปเปิดก๊อก ที่จะทให้กิเลสตัณหาหมดไปจากใจของเราวิธีที่จะเปิดก๊กก็คือต้องปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองหรือทานศีลสมาธิปัญญาหรือการละการกระทําบาปทั้งปวงการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นวิธีเหมือนกันวิธีเดียวกันวิธีที่จะทําให้น้ำมันในถัง มันมันไหลออกมาหมดเนี่ยวิธีที่จะทําให้กิเลสที่เป็นเหมือนน้ามันในจิตใจให้มันหมดไปจากจิตจากใจพอกิเลสหมดไปจากจิตจากใจก็เหมือนกับน้ํามันในถังรถยนต์มันหมดพอหมดแล้วรถยนต์ก็วิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้สมมติว่ามันเป็นรถยนต์ที่เราสั่งให้มันหยุดไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหยุดก็ต้องทําให้น้ํามันมันหมดน พอน้ำมันมันหมดมันก็จะวิ่งไม่ได้ดังนั้นจิตใจของเราก็เป็นรถยนต์ที่เราสั่งให้มันหยุดไม่ได้สั่งให้มันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เพราะมันไม่เชื่อฟังเราเมื่อมันเดือมันไม่ยอมฟังเราวิธีเดียวที่เราจะทำให้มันหยุดก็คือเราต้องถ่ายน้ำมันออกจากถังให้หมด เราต้องกาจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปด้วยการไถยด้วยการไถ่น้ำมันออกจากถังปล่อยน้ำมันออกจากถังวิธีปล่อยก็คือปล่อยด้วยการทําทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราเป็นคารวะทุกข์ของเรือนเรายังใช้เงินทองอยู่เราก็ต้องทําทานเ้วก็รักษาศีลภาวนา ถ้าเราเป็นนักบวชเราก็ไม่ต้องทำทานเพราะว่าเราไม่มีเงินแล้วนักบวชนี้ก็สละเงินทองไปหมดนะทำทานไปหมดแล้วก็เหลือแต่ศีลกับภาวนาภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่ศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือศีลกับภาวนาสมาธิก็คือสมถภาวนาปัญญาก็คือวิปัสสนาภาวนา ตัวเดียวกันสมถะภาวนาก็คือการทําใจให้สงบการทําใจให้เป็นสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือการฝึกใจสอนใจให้เกิดปัญญาให้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เรามาหลงติดเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้มันเที่ยงได้ครับ ไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมมีการจากเราไปเวลามันเสื่อมเวลามันจากเราไปมันก็ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีเหมือนทนั้นถึงเนี้ยถึงจะไม่ทุกข์ไม่ต้องมีอะไรการมีนี่กับเป็นการมีความทุกข์มีลาบยศสละเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ มันเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ตามมาเพราะว่าราบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงเวลามีเงินก็สุขกันพอเวลาเงินหมดก็ทุกข์กันเวลาได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีใจกันพอถูกปลดออกก็เสียใจเวลาได้รับการยกย่องได้รั บ, ร, บรับรับรางวีรังวัลก็ดีใจกันเวลาที่ไม่ได้รับก็เสียใจ เห็นไหมเวลาคนที่รับตุ๊กตาทองคนได้รับโอ้โหกระโดดโลดเต้นแต่คนที่ไม่ได้รับนี้ทำหน้าเบื่องหน้างอขึ้นมาอันนี้แหละคือเรื่องของความทุกข์ต่างๆที่เราไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นความสุขกลับไปเห็นว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขได้ยศแล้วจะมีความสุขได้สรรเสริญแล้วจะมีความสุขได้เที่ยวได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มแล้วจะมีความสุข แต่ไม่ไปมองเวลาที่ไม่ได้จะทํำยังไง mm hmm. เวลาไม่ได้ก็ห้อยลิ้นห้อยเท่านั้นเองดูคนอื่นก็ได้กันตัวเองก็เสียใจน้อยใจออ น, นี่ต้องคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาวิปัสนาภาวนาให้มันพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปทําให้มันเที่ยงไม่ได้อานาตตา เราอยากให้ทุกอย่างเที่ยงใช่ไหมมีอะไรก็อยากจะให้มันมีก็ไปกับเราอยู่เรื่อยๆมีอะไรดีก็อยากให้มันดีไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นอย่างที่เราอยากไหมมันไม่เป็นหรอกเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็เปลี่ยนไปวันดีวันดีคืนดีมันก็จากเราไปหายไป มันเลยทำให้เราทุกข์กันแต่เราไม่คิดกันเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันยังวิ่งหามันอยู่ทุกวันเนี่ยยังหาลาบยศสรรเสริญยังหาความสุขทั้งตาหูอยเพราะไม่มีปัญญาไม่เคยคิดถ้าไม่มาฟังเทศฟังธรรมวันนี้รับรองได้ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังคิดว่ามันเป็นสุขอยู่มีใครว่าเงินทองเป็นทุกข์บ้างไม่มีใช่มมีแต่อยากได้กันทั้งนั้ น, เ, นเพราะได้มาแล้วมันสุข แต่ไม่มองว่าตอนเวลาไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงเวลาเงินเดือนเขาลดเงินเดือนหรือเวลาถูกเขาไล่ออกจากงานแล้วที่เป็นยังไงไม่มีเงินเดือนแล้วทีนี้มันสุขหรือทุกข์อ่ะออนี่คือปัญญา่คนมองไม่เห็นกันมองไม่เป็นต้องมาสายพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนให้เราหมัน่นมองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเราไปสั่งให้มันไม่ไม่ดับไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ถึงเวลามันจะเสื่อมก็เสื่อมถึงเวลามันจะดับก็ดับพอมันเสื่อมมันดับมันก็ทำให้เราทุกข์กันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีมันเลยพอไม่มีแล้วก็จะไม่ทุกข์เป็นพระนี่มาบวชแล้วไม่มีเงินเงินจะมาหรือไม่มาก็ไม่ทุกข์ เพราะมีกินอยู่ทุกวันอยู่ดีมีเงินก็มีกินไม่มีเงินก็มีกินมีเงินก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรพระก็ใช้อะไรไม่ได้เพราะของที่ต้องใช้ก็มีพออยู่แล้วถ้าไปซื้อก็เป็นของที่เขาห้ามแม่พระใช้อยู่ดีงั้นก็ไม่มีเงินดีกว่าสบายกว่าไม่มียศก็สบายไม่มีสรรเสริญก็สบายไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สบาย นี่คือเรื่องของการจะหยุดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจต้องหมดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาหรือด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักบวชแล้วก็จะสามารถทำให้จิตใจปราศจากความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจใจจะไม่ทุกข์เลย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนคนนั้นคนนี้จะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนข้าวของเงินทองจะสูญเสียไปมากน้อยเพียงไรก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากที่จะได้มันมันจะไปให้มันไปไม่มีความอยากให้มันอยู่พร้อมที่จะให้มันไปนี่แหละคือวิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ และยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่จะทํา ม, มาไม่ให้มีอีกต่อไปต้องเกิดจากการที่เราศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะศึกษาเข้าถึงพระธรรมคําสอนและปฏิบัติตามได้เราต้องไม่ประมาทกันวิธีที่ทําให้เราไม่ประมาทก็ให้เรามันและเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่หลงอยู่กับการหาสิ่งที่ไร้สาระต่อจิตใจแล้วเราจะได้เข้าหาสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจคือทว่าคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเราได้เข้าถึงพระธรรมได้ปฏิบัติตามเราก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาทุกข์กันอีกต่อไปจะอยู่กับความสุขไปตลอดที่เรียกว่าบรมมสุขคือสุขของจิตใจที่ได้ชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่ามิพานนี่เองก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารดยวาหาปุราปาริกปุเรนติสากลังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกับปติ ยึดต่างปฏิที่ต่างตุมอังกิปะเมวาสม t จิตตุสัพเพปเรนตุสังกปะจันโทปนาราโสยธามณิโชติาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีที ขายุโกภวาภิวัฒนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวโนสุขังภาณัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา425ยูทูบ255วิทยุออนไลน์25รับฟังข้างบนนี้45คนรวมทั้งหมด750ครับน้องวาวจะถามอะไรบ้างน้องวาวไม่ถามแล้วคุณพ่อวันนี้ไม่อยู่ อ, ะอวนนอะไม่ต้องเรย การมีคำถามก็ถามได้นะถ้าไม่มีก็เอาทางบ้านต่อคำถามจากทางเฟซบุ๊คุณตรีชาถ้าจะต้องบอกคนที่ป่วยมากว่าเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วหนูควรจะบอกไหมคะควรจะใช้คำพูดอย่างไรดีเจ้าคะถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกนะ <laughs> ไม่บอกเขาทำไมไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ก็อยากจะรู้อถ้าเราเป็นหมอหรือพยาบาลก็บอกไปแต่ก็ไม่ต้องบอกว่า เ, าเป็นอย่างนั้นเฉพาะเราไม่มีใครรู้จะอยู่หรือไม่อยู่หมอบางคนบอกว่าจะอยู่ได้สามเดือนดันไปอยู่ต่ออีกสามปีก็มีนั้นต้องบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนฮแต่ดูสภาพอาการแบบนี้มันบอกแนวโนม้มแล้วไม่ดีก็แล้วกันจะไปพูดว่าจะตายสามวันเจ็ดวันนี้บางทีมันไม่ตายหรอกนั้นอาจจะโกหกโดยไม่มีเจตนาก็ได้ พูดตามความจริงดีกว่าผมไม่รู้แน่นอนไม่รู้ไม่มีอะไรแน่นอนพูดได้ว่าเป็นเพียงแนวโน้มแนวโน้มรู้สึกว่ามันจะมันจะซุดลงมากกว่าจเจริญแต่ไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะพพิ่เจริญขึ้นมาก็ได้พวกนี้ให้คนไข้มีกาลังใจดีกว่าคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม ถ้าลูกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาแต่เราให้ญาติช่วยดูแลระหว่างที่ไปทำงานอย่างนี้เราทำถูกต้องไหมครับคืออยู่กับเขาเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้โรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตไม่ใช่โรคทางร่างกายถ้าโรคทางร่างกายถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เช่นหาอาหารกินเองไม่ได้เราก็ต้องอยู่ใกล้เพื่ช่วยหาอาหารให้เขา แต่ถ้าเราสืมเศร้าเราอยู่ใกล้เขาเขาก็เสื่มเศร้าอยู่เหมือนเดิมเราจะทําได้คือป้องกันไม่เอาไปฆ่าตัวตายหรือไปทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเท่านั้นเองนั้นก็ก็ให้ตรงซะดีกว่าว่าคนเรามีเวณมีกรรมกันมาก็ต้องรับเวณรับกรรมกันไปเราก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้คําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การที่เราเคารพ บ, บูชารูปภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่ครับไม่ผิดดอกก็มีไว้ให้เราระลึกถึงคาสั่งคาสอนเราระลึกถึงความดีเพื่อที่เราจะได้ยึดเป็นแบบฉบับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่เป็นประจำ ทุกครั้งที่เรากราบพระก็ให้เลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่ใช่ให้กราบเฉยๆกราบหนึ่งสองสามไม่รู้ว่ากราบอะไรต้องรู้ว่าเรากำลังหลับพระอาหารหันต์ผู้ที่เป็นผู้ที่จิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาผู้ที่เป็นอาจารย์ของเราที่จะสั่งจะสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ลราเลิกแล้วก็ต้องเลิกต่อไปหน้าที่ของมูกเราก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนไม่ใช่กาบเฉยๆกาบแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งคำสอนก็อย่าไปกาบให้เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคำถามต่อไปจากคุณแก้วหลังจากที่ลูกปฏิบัติยุบหนอพองหนอมาตลอดตอนนี้อยากทราบวิธีปฏิบัติพุทธโธเจ้าค่ะ เวลาบริกรรมพุทโธเอาจิตไว้ตรงไหนและหนูทำแบบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธได้ไหมคะเวลาที่คิดฟุ้งซ่านในขณะนั่งสมาธิไม่ต้องกำหนดคิดหนอแต่ให้พุทโธต่อไปใช่ไหมคะและเวลาระหว่างวันที่ไม่ได้นั่งสมาธิใช้วิธีหยิบหนอจับหนอเดินหนอเห็นหนอหรือเปล่าคะเวลาโกรธเสียใจก็กาหนดพุทโธต่อไม่ต้องกาหนดเสียใจหนอใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าวิธีไหนมันทำให้ใจเราสงบก็ใช้ได้ถ้าเรารู้ว่าเราเสียใจแล้วเราหยุดความเสียใจได้มันก็ใช้ได้แต่ถ้าเรามันบอกให้ดูว่าเสียใจมันยังไม่หยุดเสียใจก็ต้องใช้พุทโธบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องดูลมถ้าเราดูลมเฉพาะตอนที่เรานั่งเท่านั้นเอง ถ้าเวลาที่เราไม่นั่งเราทำอะไรต่างๆนี่เราจะบอกดูหยิบหนอวางหนอไปก็ได้หรือจะพุโทโธไปก็ได้เหมือนกันแทนกันได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องเรื่องอื่นนั่นเองไม่ให้ไปคิดถึงเมื่อวานนี้ไม่ให้คิดถึงพรุ่งนี้ไม่ให้ถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดปรุงแต่ง ฉะนั้นวิธีการต่างๆอุบายเป็นอุบายวิธีที่จะทําให้เราหยุดคิดฉะนั้นขอให้เราดูตรงที่ผลว่าเราทำแล้วมันหยุดคิดได้หรือเปล่าจะใช้พุโทโธก็ได้เอถ้าใช้พุโทโธโดยไม่ใช้ลมก็ให้อยู่กับคําบริกรรมไม่ต้องไปหาที่ตั้งของพุโทโธถ้าเราไปผูกพุโทโธไว้กับลมหายใจเราก็ต้องไปอยู่ที่ลมต้องดูตอนที่ลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโธ ทีแต่ละวิธีมันก็มีบวกมีลบก็ต้องคนที่ปฏิบัติก็ต้องศึกษาทดสอบดู ว, ว่าช่วงไหนดีวิธีไหนดีช่วงไหนวิธีไหนไม่ดีมันมีเช่นการดูลมนี่มันจะดีเฉพาะตอนที่เรานั่งเฉยๆเท่านั้นถ้าทําอื่นๆมันดูลมยากลมมันละเอียดก็ต้องดูอย่างอื่นดีกว่าดูดูร่างกายว่ากําลังเคลื่อนไหวกําลังทําอะไรไป ถ้ามันไม่ยอมดูก็ใช้พุโทโธแทนพุโทโธพุธโทโธไปทาอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปในใจอย่าให้มันคิดพุโทโธมันดีตรงที่ว่ามันทำได้ในทุกอิริยาบถนั่งสมาธินั่งหลับตาก็พุโทโธได้ไม่ต้องดูลมก็ได้ดูลมก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติคำถามต่อไปจากคุณกิ่งแก้ว การมีสติคือการรู้สึกตัวกับการที่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับการทํางานถือว่ามีสติหรือสมาธิเจ้าคะเขาเรียกก็สติแต่เรานักจะใช้คําว่าสมาธิแทนสติวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยความจริงเ้าต้องใช้คําว่าสติไม่มีสติอยู่การทํางานเลยใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าคําว่าสมาธินี้ไม่มีใคร ได้กันหรอกคำว่าสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิคณนิกะสมาธิจิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นอันนี้ต้องเกิดจากเวลานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธไปผลก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมา ดังนั้นเราใช้ภาษาผิดนั่นก็เลยทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องทสียทีพอคุยสมาธิก็คิดว่าสมาธิคือการดูนูน่นดูนี่ทํานูน่ทนทํานี่ความจึงนั่นเรียกว่าสติการมีสติแล้วเลึกรู้อยู่กับงานทําการกระทำอะไรต่างเรียกว่าสติสมาธินี่คือการนิ่งสงบของจิตซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่เป็นชารวลาวาผู้คลองเรือนที่ทํามากินอยู่นี้ไม่มีวันที่จะเข้าถึง นานๆอาจจะมีสักคนสองคนที่จะเข้าถึงได้ก็ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าถึงนี้ต้องเป็นพวกนักบวชเพราะเขาจะต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนคอยควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองเห็นคำว่าสมาธิจึงเป็นคำที่ไม่ถูกต้องเวลาที่เราใช้กันไม่มีสมาธิในการเรียนเลยไม่มีสมาธิในการทำงานเลยอันนี้ต้องใช้คาว่าสติ ไม่มีสติจดจอ่อใจไม่จดจ่ออยู่กับการเรียนไม่จดจ่ออยู่ ก, การทำงานเรียกว่าสติคำว่าสติก็คือการจดจ่อของใจนี่คำถามต่อไปจากคุณวิโรธทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตายครับก็ให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะร้องอ๋อเพราะทุกคนต้องตายเหมือนกันหมด แล้วถ้าอยากจะไม่กลัวตายก็ต้องศึกษาต่อไว้ว่าใครตายใครตายกันนะคนที่คิดถึงความตายหรือผู้ที่ผู้ที่ไม่ได้คิดถึงความตายร่างกายมันคิดไม่เป็นมันไม่มีความคิดผู้ที่คิดไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่คิดคือใจผู้ที่กลัวตายคือใจแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าแยกใจออกจากร่างกายได้ก็จะไม่มีวันกลัวตายต่อไปวิธีจะแยกก็ต้องนั่งสมาธิเนี่ยทําจิตให้สงบเวลาจิตสงบจิตจะแยกออกจะปล่อยร่างกายจะไม่ไปยึดติดกับร่างกายร่างกายเป็นไรตอนนั้นจิตจะไม่เดือดร้อนถ้าอยากจะไม่กลัวตายก็ต้องทำสองอย่างขั้นต้นให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อย เ, อยเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวรับกับความตาย แล้ววิธีจะรับกับความตายให้ไม่กลัวได้ก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่กลัวแต่ผู้ที่รู้ผู้ที่กลัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะหายกลัวคำถามต่อไปจากคุณสัญญาผมตึงจมูกเพราะปลายประสาทอักเสบ ภาวนาแบบถนัดคือตามลมแต่ความตึงของจมูกนั้นทำให้รู้ลมไม่ชัดพอมาใช้พุโทโธทีๆไม่ถูกจริตสงบแต่ไม่ลึกครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยครับก็ลองใช้อย่างอื่นก็ได้นึกภาพในใจมโนภาพโครมกระดูกก็ได้อาการ32อาการใดาอาการหนึ่งในร่างกายก็ได้หรือซากศพ ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ศพตายใหม่ศพตายขึ้นอืดพองศพเน่าศพถูกแรงกากัดอะไรภาพเหล่านี้นึกขึ้นมาในมโนภาพได้ก็ทาให้ใจสงบใช้แทนลมได้หรือถ้ากลัวภาพเหล่านี้ก็ให้นึกเป็นสีขึ้นมาก็ได้นึกถึงสีเขียวก็ได้หลับตาแล้วก็นึกสร้างสีเขียวขึ้นมาภายในมโนภาพ ถ้าพยายามรักษาให้มีสีเขียวนั้นเต็มไปในมโนภาพมันก็จะทำให้ใจใช้แทนการดูลมได้ดูสีแทนชอบสีเขียวก็นึกถึงสีเขียวชอบสีแดงก็นึกถึงสีแดงถ้าตอนต้นมันยังไม่นึกนึกไม่ออกก็หาสีแดงดูด้วยตาก่อนดูจ้องสักพักแล้วก็จำไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีแดงที่เราเห็น แล้วก็พยายามประครับประคองหรือสร้างให้สีแดงนี้นนปรากฏชัดขึ้นมาเด่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ให้เพ่งอยู่กับสีนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็เข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณแคทเวลานั่งสมาธิไปได้สักพักมีความรู้สึกใจสัน่นสติไม่อยู่กับตัว ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็ไม่มีสติมันก็สั่นอะไก็ต้องฝึกสติก่อนมานั่งไหมการจะนั่งสมาธิได้ผลนี้ต้องมีสติก่อนสติเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีสติปะพอมานั่งมันก็ควบคุมใจไม่ได้เนี่ยงั้นต้องหมั่นฝึกสติก่อนที่จะมานั่งเราฝึกสติได้เกือบทั้งวันทั้งตลอดทั้งวันเลยเวลาที่เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครนี้เราฝึกสติได้ เชนเวลาเราเตื่นขึ้นมาเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยไปทำกิจกรรมในห้องน้ำก็พุโทโธไปอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปเดินทางไปทำงานก็พุโทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคือเป้าหมายอย่าให้ไปคิดเท่านั้นเองนี่เป็นการฝึกสติถ้าเราทยํายางนี้ได้ เวลาเรานั่งสมาธิเราจะควบคุมความคิดควบคุมจิตได้จะทำให้จิตไม่สัน่นจะทำให้จิตไม่มีอาการนะัดแปลกๆมาหลอกมาล่อเราเห็นต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ไม่ได้ผลนั่งไม่ได้สู้จิตไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสุบิน คนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะแต่ไม่เคยทำบุญตอนนี้เป็นมะเร็งนอนร้องไห้ห่วงสมบัติเมื่อตายแล้ววิญญาณจะไปไหนเจ้าคะก็แล้วแต่บุญบาปที่เขาทำมันมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำบุญมากน้อยเพียงไรเขาทำบาสมากน้อยเพียงไร ส, ส่วนที่เราเห็นนนมันเป็นเพียงส่วน นิดหนึ่งของชีวิตเขาเท่านั้นเองนั่นเราไม่ไปต้องกังวลว่าเขาจะไปไหนแล้วกังวลว่าเราจะไปไหนดีกว่าไม่เรื่องยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาทำไมเรื่องของตัวเองก็ไม่สนใจตัวจะไปตนกนรกไม่รู้เบืองดูกังวลว่าชาวบ้านเขาจะไปไหนกันมาดูเราดีกว่าว่าเราทําบุญทําบาปอันไหนมากกว่ากันวิธีหนึ่งที่จะเห็นอนาคตว่าเราจะไปทางไหนก็ดูตอนที่เราฝันนี่ล่ะ ถ้าเราฝันฝันร้ายมากกว่าฝันดีนแสดงว่ามันไปอบายถ้าฝันดีมากกว่าฝันร้ายแสดงว่ามันไปสวรรค์ให้ดูตรงนี้ดีกว่าให้ดูชาวบ้านเขาทำไมคำถามต่อไปจากคุณคิมทำไมเวลาลูกสวดมนต์หรือนั่งภาวนาก็ดีกลัวคนมาเห็นแล้วเกิดความอายแบบบอกไม่ถูกเจ้าคะ่ะ เ, เราไม่ได้แก้ผ้าไปไปอายนะเลยการสวดมนต์เป็นของดีทำความดีกับไอ่อายเวลาไปขโมยเข้าของไปประพฤติผิดศีลผิดธรรมกับไม่ไอ้สแสดงว่านี่ใจเรามันฝักไฟทางกิเลสมากกว่าฝักไฟทางธรรมพอจะมาทำความดีกับไอยพอไปทำบาป ก, กับไม่อายใช่หไหมพวกที่ไปเต้นแล้งเต้นกาฉี่ปเปื้อยอยู่ตามบาร์ตามผับนิเมนท์อนอายเลย ขอยห้มานั่งสวดมนต์หน่อยอายเดี๋ยวกลัวเพื่อนมาเห็น <laughs> <laughs> หมืนแล้ ว, ลวเลยยังดีครับคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการซื้อรถสร้างกุฏิถวายพระอุทิศให้คนที่ตายแล้ว จะได้รับผลบุญหรือไม่เจ้าคะได้การเสียสละของเราทําบุญทําทานแล่ว่าจะทำกับพระทํากับใครก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นความสุขใจความสุขใจนี้เราแบ่งให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ผู้ร่วงรับบางทีเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาไม่มีความสุขอิม่มสุขใจอิ่มใจเราก็ขออุทิศความสุขใจอิ่มใจของเราให้กับเขาไปได้ถ้าก็รอรับอยู่เขาก็จะได้รับ ถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็จะไม่ได้รับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่แบบไหนจะไปอยู่แบบเศรษฐีหรือไปอยู่แบบขอทานถ้าเขาไปอยู่แบบเศรษฐีเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราแต่ถ้าเขาอยู่แบบขอทานเขาก็จะรอรับบุญอยู่พวกที่เป็นขอทานก็คือพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ยอมทำบุญนะแต่พวกที่อยู่มีชีวิตอยู่ทำบุญอยู่เป็นประจาในพวกนี้จะไปเป็นเศรษฐีบุญ เขามีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญคำถามต่อไปจากคุณวิไลลักษณ์โยมเลี้ยงแมวไว้เก้าตัวเลี้ยงด้วยความรักและเลี้ยงแบบระบบปิดดูแลรักษาฉีดวัคซีนให้ทุกตัวแต่พอพวกเขาตัวโตวขึ้นเป็นหนุ่มก็กัดกันบ่อยมากโยมเลยจำเป็นต้องขังเอาไว้ในกรงขังเป็นบางตัวเจ้าคะ่ะโยมจะบาปไหมเจ้าคะ ไม่บาปหรอกก็เหมือนคุกตารางที่ก็มีไว้ขังพวกที่ดือ้อพวกที่ชอบไปทำร้ายผู้อื่นก็ต้องขังไว้เพราะถ้าปล่อยออกมามันก็จะไปทำร้ายผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นการลงโทษเป็นการสอนให้มันเข็ดหลาบก็ลองดูขังมันสักพนะักแล้วลองปล่อยมันออกมาดูดูว่ามันยังมันยังเหมือนเดิมป่าถ้าเหมือนเดิมก็ขังต่อ็นกว่ามันจะเข็ดหลาบมันก็ แตออกมาแล้วมันไม่มันไม่ไปกัดไม่แปลอะไรก็ปล่อยมันออกมาคำถามต่อไปจากคุณคิมการฝึกมโนโมยิทธิเป็นอย่างไรฝึกแล้วดีไหมเจ้าคะก็ต้องไปถามสำนักที่เขาสอนนะที่นี่ไม่ได้สอนมโนยิทธิคุพละภาควิชากันที่นี่สอนบัญชีไม่ได้สอนไม่ได้สอนฟิสิกส์เนี่ยอยากจะเลย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาที่ภรยาบ่นว่าทําอย่างไรจะไม่เป็นทุกข์ครับก็อย่าไปสนใจเขาปล่อยเขาบน่นอย่าไปอยากให้เขาหยุดบน่นที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาบน่นแต่ถ้าเราอยากให้เขาบน่นเราจะมีความสุขใช่ไหมเวลาที่เราได้อะไรดังใจอย่างนี้ทุกข์หรือสุขอยากไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวสุขไหมพออยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวไปไงทุกข์ใช่ไหมก็เหมือนกันอยากให้เขาไม่บน่น พอพอห้ามแม่เขาไม่บ่นพอห้ามแม่เขาบ่นไม่ได้ก็ทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอยากก็ <_ S 1> ทำให้มันได้ดังใจอยากสิเขาอยากจะบ่นก็เขาให้เขาเขาบ่นก็อยากให้เขาบ่นไปสิพอเขาอยากพออยากให้เขาบ่นพอเขาบ่นเราก็ดีใจโอ้วันนี้ได้ได้ดังใจหมายแล้ววัน <_ s> <_ s> นี้ยังยังมีครับคำ <_ s 1> ถามต่อไปจากคุณกิ่งแก้ว มีผู้กล่าวว่าเวลาที่เราอาบน้ำร้อนอยู่ถ้ามีสติเราจะไม่รู้ถึงความร้อนเย็นของน้ำอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะไม่ถูกหรอกร้อนเย็นมันก็ต้องรู้แิ่ยิ่งมีสติมันยิ่งรู้ใหญ่คนไม่มีสตินะถึงจะไม่รู้คนเมาเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่ามันอาบน้ำเย็นหรืนอน้ำร้อนนะหรือคนนอนดับหรือคนตายนี่มันไม่มีสติพวกนี้เขาไม่รู้หรอกแต่พราะคนมีสติมันต้องรู้ นอกจากพวกที่เข้าสมาธิอาจจะไม่รู้พวกเข้าสมาธิบางทีเขาตัดการรับรู้ทางร่างกายไป่วงนั้นร่างกายจะสัมผัสกับอะไรมันจิตจะไม่รับรู้แต่คนที่มีสตินี้ต้องรู้คนที่ไม่มีสติเท่านั้นถึงจะไม่รู้เช่นคนหลับคนตายเนี่ยไม่มีสติแต่คนหลับมันก็ยังรู้พอน้ำร้อนใส่เข้าไป <laughs> สติก็กลับมาทันที มันไม่สติมันไม่หมดเนี่ยมันมีบ้างมีพอรับดู้คำถามต่อไปจากคุณธรรมดาการให้มอร์ฟีนแก่คนไข้เพื่อให้หลับไปเลยแบบไม่ท ร, รมานถือว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าเป็นความต้องการของคนไข้และญาติหรือเราควรปล่อยให้คนไข้ไปแบบทรมานจากความเจ็บปวด ถ้าเป็นการทําให้ร่างกายตายด้วยเจตนามันก็บาปแต่ถ้าเป็นการรักษาแล้วมันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาให้ยาเกินอย่างนี้แล้วตายไปคนให้ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนามีเจตนาที่จะรักษ า, างั้นขึ้นอยู่ที่เจตนาว่าทําเพื่อมีเจตนาให้ร่างกา ย, ยานี้ตายไปหรือเปล่าถ้ามีถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่ดีไม่อยากให้เขาทรมาน ก็เลยให้เขาตายหรือคนคนที่คนไข้เองของก็เหมือนกันก็บาปด้วยกันทั้งคู่สั่งให้เ้าทำก็ดีทำเองก็ดีก็บาปนะครับส่วนการที่ปล่อยให้เขาทรมานนี้ก็ไม่ได้เป็นการที่เราไม่มีความเมตตาก็คือปล่อยให้เป็นไปาตามธรรมชาติ <c oughs> อย่าไปทำบาปอย่าไปแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมามากกว่า การปล่อยนี้ปล่อยเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาการไปทบาบาบนี้เป็นการไปสร้างปัญหามาเพิ่มแต่การปล่อยให้ร่างกายมันตายไปของมันเองนี้เป็นการไม่เป็นการเพิ่มปัญหาที่จะตามมาต่อไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณวิอยากให้พระอาจารย์อธิบายการทาสติให้ด้วยเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าการทำสมาธิยากแต่การทาสติ เพื่อจะไปทำสมาธิยังไม่เกิดบุญใช่ไหมเจ้าคะสติก็เป็นบุญอย่างหนึ่งมีสติก็ทำใจให้ว่างให้เย็นให้สบายเวลาไม่มีสติใจก็ฟุ้งซ่านเครียดต่างๆนานาขึ้นม า, าการฝึกสตินี้ก็เป็นบุญแต่ยังไม่บุญเท่ากับสมาธิไม่สงบเท่าสมาธิไม่สุขเท่าสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณสายลมสินของพระโสดาบันเป็นสินห้าหรือไม่ครับภออาริยาทุกบุคคล น, นี้ท่านจะไม่ทำบาปทั้งปวงสินห้าขึ้นไปคำถามต่อไปจากคุณกําพลการที่เราถวายเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้พระสงฆ์เราจะได้บุญไหมครับถ้าเป็นอาหารก็ได้บุญถ้าเป็นยาเสพติดก็ไม่ได้บุญคือ คือคนถวายได้บุญเพราะว่าเสียเงินเสียทองได้บอยจากทรัพย์สินแต่คนรับนี้ถ้าไม่ฉลาดไปดื่มยาที่เป็นยาเสษติดมันก็เป็นโทษกับผู้ผรับไปแต่คนให้ก็ไม่ได้บาปถ้าไม่มีเจตนาถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้นั้นเป็นภัยต่อผู้รับแต่ถ้ารู้ว่าเป็นภัยแล้วมีเจตนาอยากให้เขากินเขาจะได้ตายอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบาป แต่ถ้าของบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันมีโทษหรือมีคุณอย่างไรเท่าที่เราได้ยินเขาโฆษณาเขาโฆษณาแต่สรรพคุณว่ามีเป็นคุณเป็นประโยชน์นี้เราก็ถวายให้นี้ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเราอาจจะเป็นผู้นักวิชาการรู้เล็กกว่านี้รู้ว่าอาหารชนิดนี้กินแล้วเป็นการก่อสร้างมะเร็งขึ้นมาถ้าเรารู้แล้วเรายัางทานี้แสดงว่าเรามีเจตนา ที่จะให้คนรับนี่รับโทษรับเอรับปัญหาอย่างนี้ก็ไม่ควรทำหมดแล้ยังยังมีครับ<ม>คําถามต่อไปจากคุณทัศนี<ม>การเข้าพวังจะทําให้ได้พลังจิตหรือไม่เจ้าคะ่พะพวังมีสองพวังพวังหลับกับพวังสมาธิพวังสมาธิพวังหลับก็จะได้กําลังทางร่างกาย เวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่ไม่ก็จะมีกําลังทางร่างกายแต่จิตใจก็จะไม่ได้รับแต่ถ้าเข้าผวังสมาธินี้จิตใจจะได้รับประโยชน์จิตใจจะได้พลังคำถามต่อไปจากคุณสุโรธ <c oughs> พี่สาวผมตายผมบวชหน้าไฟให้หนึ่งวันพี่สาวจะได้รับบุญไหมครับก็ยังไม่รู้ว่าบุญที่เกิดจากการบวชหนึ่งวันนี้เป็นยังไงเลย คำถามต่อไปจากคุณอภิชาติการที่เราพาแม่และแฟนมาทำบุญและฟังธรรมถือว่าเป็นการตอบแทนไหมครับถ้าเขาต้องการมาแล้วเรารับใช้เขาก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของเขาแต่ถ้าเราชวนเขามานี่ก็อาจจะเป็นการตอบแทนบุญคุณทาง อ, อ้อม คือให้เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเผื่อธรรมที่เขาฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติก็จะลดความทุกข์ต่างๆให้กับเขาได้มันก็เป็นการทดแทนมูลคุณอย่างหนึ่งเหมือนกันครับคำถามจากคุณทัศนีนั่งสมาธิแล้วจะเข้าพะวังหลับรู้ตัวเลยไม่ยอมเข้ารีบภาวนาพุทธโธอันนี้ ทำถูกไหมคะหรือจะให้เขาผวังหลับเจ้าคะ่ะอ๋อถ้าอยากเข้าสว่งสมาธิก็ต้องดึงสติกลับมาก็ต้องพุโทโธแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าสู่สวังผวังสมาธิต่อไปถ้าหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่มันก็อาจจะกลับเข้าไปในผวังหลับได้คําถามต่อไปจากคุณธรรมดาการฟังธทำบ่อยๆจะติดเป็นนิสัยไปในภพชาติหน้าไหมเจ้าคะ แล้วปัญญาเราจะเกิดขึ้นเองไหมคะถ้าชาตินั้นไม่มีทาให้ฟังแล้วก็อยู่ที่ว่าฟังจนเป็นนิสัยหรือเปล่าถ้าเป็นนิสัยมันก็จะติดตัวไปถ้ามันไม่เป็นนิสัยมันก็ไม่ติดตัวไปคือแล้วแต่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำมากมันก็จะติดไปมากทำน้อยก็ติดไปน้อยคำถามต่อไปจากคุณวิ บุญที่เกิดจากการทำสติอยากทราบตัวอย่างของบุญที่เกิดจากการทำสติขอความเมตตาด้วยเจ้าค่ะอะเวลาไม่สติใจจะว่างยไม่คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวลรงนั้นเรื่องนี้ไม่วิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้เพราะใจอยู่แต่พูดโธพุดโธไปใจก็ว่างเย็นสบายพอไม่มีสติไปคิดถึงคนนั้นไปวิตกกังวลกับคนนี้ไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ใจก็เครียดขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์เวลาปวดท้องกินยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างนี้จะเป็นการผิดศีลข้อห้าไหมครับถ้าเป็นยาไม่น่าจะผิดนะไม่ได้กินเพื่อเป็นการทำมึนเมากินเพื่อรักษาร่างกายถ้าเป็นส่วนของยาก็กินได้นอกจากคนเข่งแเข่งก็เขาก็จะไม่กินก็มี ก็ว่าถ้ามีสุราไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ถือว่าเป็นสุราอันน้นเขาไม่เขาไม่กินก็มีอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิษฐ์สําหรับผู้ปฏิบัติว่าจะเข่งขนาดไหนถ้าเข่งแบบร้อเปอร์เซก็ไม่มีเลยห้ามมีสุราในอาหารก็ไม่ได้อาหารบางอย่างก็ต้องใส่สุราไปสักช้อนนึงเวลากินก็ไม่รู้ว่ามีรสสุราอยู่ในนั้นแต่เป็นสูตรของอาหารเขา แต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องการบอยสุดแบบสุดๆก็ไม่เอาเลยอย่างนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันก็แล้ว ก, กันคําถามต่อไปจากคุณแคทการเริ่มต้นทําทุกอย่างเริ่มที่สติใช่ไหมยเช้าคะสติเป็นผู้นําภารกิจต่างๆถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนตายคนนอนหลับคนเมาทําอะไรไม่ได้คําถาม ต่อไปจากคุณยิ้มเป็นเจ้าหน้าที่ประสุสัตว์เมื่อเกิดโรคระบาดสั่งฆ่าสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเพื่อป้องกันมาระบาดถึงคนอันนี้บาปไหมเจ้าคะบาปถ้าฆ่าก็บาปทั้งนั้นถ้าสั่งให้เขาฆ่าหรือฆ่าเองก็บาปก็ไปกักขังมันไว้มือกันไม่ให้มันไปเผยแพร่ก็ได้แต่ไม่ต้องการที่จะฆ่าก็หาที่กักขังไว้แยกมันออกโควติน <c oughs> คำถามจากผู้ฝากถามการทําให้จิตรวมสามารถทาได้หรือไม่แล้วทําอย่างไรเจ้าคะได้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องถ้าสามารถจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องห้านาทีสิบนาทีก็รวมได้ครับคำถามต่อเนื่องจากคุณทัศนีเรื่องเข้าพวังครับอยากทราบว่าถ้าจะเข้าพวังหลับแต่ไม่ยอมเข้า ภาวนาพุโทโธต่ออันนี้ถูกหรือไม่คะเพราะไปไม่ถูกคะ่ะเราก็ถามเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วไม่ส่งมาเพิ่มครับหมดแล้วครับเอหมดแล้วคก็ต้องใช้พุโทโธต่อไปนึงสติกลับมาถึงจะเข้าได้ถ้าปล่อยให้มันหลับมันก็จะไม่เข้าออมันก็จะหลับไปนั่นเองยังต้องฝึกสติให้มากขึ้นเพราะสติเท่านั้นที่จะเป็นตัวนึงจิตให้เข้าผวังเข้าสู่สมาธิได้ เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอถิด